แต่ในวงปฏิบัติมันก็จะเทศไปกว้างขวางให้เสียเวลาอเวลา ม, มากมายเทศย่นลงมาในจุดสําคัญสาคัญเป็นเทศเรื่องทุกข์อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฝ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศจะกว้างขนาดไหนสิ่งนั้นไม่ใค่ทุกข์ แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนในตึกในห้างถึงตรนั้นก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นๆไม่เป็นทุกข์สมบัติเงินทองไม่เลยเป็นทุกข์สิ่งของมากน้อยที่เป็นกรรมจิตของเราไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่โลกประหกัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวไม่ยอมสนใจไม่ยอมคิด เพราะฉะนั้นถึงโดนกันอยู่เสมอแล้วหาทางแก้ไขเอาตัวรอดไปไม่ได้นี่โลกเราก็มาโงตรงนี้มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถยางพระพุทธเจ้า้ยังไม่มองเห็นใครว่าชี้ถูกจุดแห่งทุกแห่งทุกชี้ถูกจุดที่แก้ทุกชี้ลงที่ไหนชี้ลงในเบญะขันธ์ของเรานี้กับใจนี่เป็นหลักสำคัญนี่แหละ สถานที่ทุกเกิดเกิดที่นี่ทันหันเพราะสาเหตุที่จะทําให้ทุกเกิดก็มีอยู่ที่นี่วิบาก ท, ที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุผิดธาตุขันธ์ของเราก็มีอยู่กับตัวของเราที่เรียกว่าร่างกายมีเป็นวิบากคือผลของสิ่งที่ผิดขึ้นมาได้จากที่เลืออิชาทันหามันผิดให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามเรียกว่าวิบากก็อยู่ที่ตัวของเรา ผู้ที่จะผิดทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยลําดับลําดับภายในจิตก็เกิดขึ้นภานจิตนี่เองไม่ได้เกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รบกันที่นี่ให้รู้กันที่นี่หลบปีกปีกตัวด้วยอุบายสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมต้องหลบปีกกันที่นี่ต่อสู้กันที่นี่ให้เข้าใจกันที่นี่แก้กันที่นี่ค้นกันไปจากที่นี่ไม่พ้นที่อื่นนี่เพราะอย่างนี้ ขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่ไม่ค่อยจะได้สติสตังกันถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติและเป็นผู้ที่เคยพิจารณาอยู่แล้วจิตใจจะว่าวุ่นขุนมัวกระวนกระวาไปกับทุกข์เสียทั้งหมดทุกข์เลยฉุดลากเอาจิตใจไปทั้งรวมเอาเข้าไปในกองทุกข์นั้นทุกข์เผาจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่าเรื่องของทุกขในขันได้อีกนี่ข้อความไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ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 หรือให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในฐานในขันธ์เผาเอ า, พออ า, อาเรพราะอานาจแห่งกิเลสพาให้หลงเข้าไปให้มันเผาเนี่ยนี่จึงว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสงคารามในโลกไม่มีสงคารามใดยิ่งไปกว่าสงคารามระหว่างปิตับขันที่แสดงต่อกันและที่กระทบกระเทือนกันความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดการเกิดมาเป็นของดีเมื่อไรในขณะที่เกิดก็ออกมาจากช่องแคบ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 แล้วก็เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์เหมือนอย่างเราเราท่านๆที่มองเห็นกันอย่างนี้มันผ่านมาจากผู้ที่ลยรอดตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาตามหลักธรรมาชาติตามหลักความจริงแล้วจะไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์ขนาที่ตกคลอดออกมามันตกคลอดออกมาด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนี่อันหนึ่ก็ไม่ทราบความจําก็หายหมดไม่ทราบว่าเกิดมาแต่เมื่อไรวันใดเดือนใดปีใดใครเป็นพ่อใครเป็นแม่พอโตขึ้นมาก็ถึงจะทราบ ว่านั่นเป็นพ่อมีเป็นแม่เกิดวันนั้นเดือนนี้ก็พ่อแม่บอกแต่ล่ำเวลาเท่านั้นเท่า น, นี้พ่อแม่บอกคนอื่นบอกถึงจะทราบตัวเองไม่มีทางทราบมันมืดมาโดยลำหนับนั่นแหละเรื่องสิมืดด้วยลบความจดจำจนจนหายหายหมดด้วยมันมืดไปหมดนี่เราจะเดเรื่องกองทุกแล้วกระทบกระเทือนกันมาตั้งแต่บัดนั้นอะ่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไรภูเขาทั้งลูก ลูกไหนมากระทบกระเทือนเราให้รับความลำบากต้นไมใ้ใหญ่ใหญ่ที่ไหนมากระทบกระเทือนเราให้ลำบากไม่มีน้อยที่สุดร้อยจะหาหนึ่งก็ไม่มีเช่นต้นไม้ล้มทับคนนี่้อยหาหนึ่งก็ไม่มีไอที่ขันล้มทับเรานั่นสิทับอยูทุกผู้ทุกคนทับอยู่ตลอดเวลาการพายดนพาเดินพาดังพานอนพากลับพาถ่ายพายนับพานอาหาร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 นี่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละเราไม่สนใจมันก็เหมือนไม่มีนะนี่จะว่าเราเหลิงหรือไม่เหลิงของจริงมีอยู่แสดงอยู่ความกตกเุเพลินนันถ้านในคันมีอยู่ทําไมไม่เห็นโทษของมันที่มันกตกุกตุเพลอนตลอดเวลาแล้วเราจะหวังเอาความเพลิดเพลิอนอะไรจากสิ่งหล่านี้เล่ายิ่งขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วก็ยิ่งไปยใหญ่ ยิ่งทับยิ่งถมเข้าทุกด้านทุกแง่ทุกมุมทีเดียวอวัยวะส่วนไหนเป็นทุบไปแล้วกันเป็นไฟไแล้วกันหมดเผาก็มาทิ่จิตกจถ้าจิตใจไม่มีทำเป็นเกราะเครื่องป้องกันแล้วแล้วก็เป็นไฟไปแล้วกันกับธาตุขันยิ่งมีความทุกร้อนแล้วยิ่งเป็นไฟความที่ร้อนที่สุดยิ่งกว่าธาตุขันได้เพราะความหลงรู้เท่าไม่ถึงการนี่คิดดูนี่แหละทีงเรียวกว่าสงครามให้พิจารณาอย่างนี้ แล้วที่นี่ถึงคลาจะตายห่ะขนาดไหนไมันไม่เหมือนเกิดเกิดมันความจํามันก็ไม่มีสภาพของเด็กก็เป็นอีกอย่างหนงึ่งทั้งๆที่ทุกข์ความเกิดจำเหล่า น, นั้นก็ไม่ไม่ค่อยมีความรู้ดังชาภาวะเกี่ยวกับเรื่องงทุกข์เด็กก็ไม่ค่อยมีมากทั้งๆ ท, ที่ทุกข์เหมือนกันก็ตา่างแต่ที่ตอนเป็นผู้ใหญ่เราเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขานั่งหนักนี่เป็นยังไง เราจะตรงจิตลงที่ไหนเพราะมันมีแต่ไฟทั้งนั้นถึงวเวลาสุดท้ายมันเป็นด้วยกันหมดเป็นไฟทั้งกองเลยในขันธาตุขันทั้งร่างกายทั้งนัางเนี่ยมันเป็นไฟด้วยกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างแตกต้ไม่ได้เป็นไฟทั้งนั้นนี่เราจะตรงจิตลงตรงใจลงได้ยังไงถ้าไม่ฝึดพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันเสียตั้งแต่บัดนี้การพิจารณาให้รู้เรื่อง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 จุดสุดท้ายของทุกอันนี้มันจะแทรกไปถึงไหนมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเหมือนกันไม่ดับในขนาหนึ่งก็ดับในขนาหนึ่งสุดท้ายะระดีทางดับมันก็ดับในขณะที่ตายต่นงหาเนี่ยหลักสำคัญมันอยู่สองจุดร่างกายทั้ ง, งนัางนี่แล้วก็แบกทั้งทั้งที่ทุกข์ทั้งที่เป็นไปแล้วก็แบกว่าเป็นเราเป็นของเราการแยกไม่ออกเท่าที่จะนานเมื่อเราทราบท่านว่าร่างกายเป็นร่างกายร่างกายเป็นธาตุอันหนึ่งต่างหาก มโนธาตุคือใจนี้เป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่อันเดียวกันแม้จะอาศัยกันอยู่ก็ตามเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านใเรือนบ้านเรือนต้องเป็นบ้านเรือนเ้าเป็นเราไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่เพียงเท่านั้นหนึ่งมีเป็นความเห็นอันถูกต้องที่ระหว่างจิตกับร่างกายก็เหมือนกันแม้จะอาศัยกันอยู่เราก็เป็นเราคือจิตอมยญญะคือร่างกายก็เป็นร่างกายเวทนาก็เป็นเวทนาเป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้รับทราบ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 ที่เราจะทําความเข้าใจให้กับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องถ้าทํำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องโดยด้วยปัญดาของเราแล้วถึงจะอยู่ในถ้ำกลางกองไฟก็ตามคือท่าขันนี้เป็นเหมือนไฟแต่เขาไม่ให้ไม่ได้ทราบความหมายตัวเองว่าเขาเป็นไฟเราพูดเพื่อแก่เรานะั่นเองเอาอยู่ในถ้ำกลางของกองไฟเราไม่เป็นไฟด้วยนี่แย่บ้างแต่เราเป็นเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเอาตั้งอยู่ก็รู้มาก น, น้อยเท่าไหรรู้ ความรู้นี้ไม่ได้อภัพมีรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้มีสติเถอะรับทาบกันตลอดสายอ้าวทนไม่ไหวหรือเวทนาเนี่ขึ้นขนาดไหนทน ไ, ไหวเอาแตกแตกเวทนาดับไปผู้รู้นี้ม่ได้ดับผู้รู้นี่คือใจใจมีปัญญาที่ไหนไม่ดับไม่มีการดับตั้งแต่นั้นเดมาจิตทอต่องเที่ยวเกิดนวตตรสงสารก็คือใจดวงนี้เองเป็นเพียงว่าไปตามบุญตามกรรมตั้งตนถ้าเราพิจารณาทางด้านปัญญานิจของเราจะแน่วลงสู่ความจริงไม่สะทกสะท้านกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้น ท่านยาที่ไป็หมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราก็ความหมายความหลอกเนี่ยเราก็ทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมามาหมายมาหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างไร เ, เราจะเกิดเราจะตายหมายไปทําไมเรื่องทาตุเรองขันน้องเขามีการประชุมด้วยการผสมเข้าแล้วมีการตั้งอยู่มีการถลาดแต่ตามเรื่องของเขาญาไปเศษสันปันยอเขาจะไปแบบไปหามเขาถ้าเขาอีตามความจริงขอ ง, งเขาเมื่อเขาทนไม่ได้เ <itas S 2> ขาจะแต่ให้เขาแตกไปนั่นเป็นทางหลวง เราจะไปถูกบ้านผู้เือนขวางบ้านขวางถนนหลวงไม่ได้เป็นโทษอันนี้เรื่องคติธรรมนาก็คือความตายเกิดแล้วต้องตายนี่ท้งต้นทางคือความเกิดปลายทางก็คือความตายกลางทางคือความทุกข์ความลําบากที่เป็นบางอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นในทางนะขนันนี้ีอะไรทีให้เป็นความสุขความสบายถ้าเราไม่ประกอบขึ้นภารกิจแต่งเราให้เป็นความรื่นเึิงด้วยคุณงามความดีของเหล่านี้หาความสุขไม่มีในขันอันนี้หรือในโลกอันนี้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 ถอยหน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาพิจารณานนี้แหละเดียวว่าเป็นหินนักปัญญาพิจารณาเราจะเอาเพียงผลเดียวหยุดให้จิตของเราปันดาของเราหมุนอยู่กับทุกเวทนาเกิดขึ้นมากอะไรกาหนดให้มันรู้ทันโดยลําดับลํำดั บ, ดบไม่ให้เผลอไม่ให้หลงนั่นนี่มันแยกกันออกได้อาตาก็ตายแต่เกิดสบายเลยนี่คืออยู่สบายตายสบายนั่นแยกกันได้ไม่ไฟนอกบ้านเข้ามาไม้ในบ้านเราไม่ให้ไฟ ในธา่านขันที่มันเป็นอิปาร์ตั้งใจมันมาไม่ติดใจัองเราให้เดือดร้อนไปตามนี่คือวิธีดำเนินวิธีแก้ทุกพิธี่รู้เท่าทุกวิธีถอนทุกไม้ทุกคำภายในร่างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นทุกขเวทานานั้นเข้ามาเผารวนติตใจของเราเราก็อยู่สบายท่าสุขจิตนี้เป็นสาละอันสาคัญไม่เลยมีแต่มีสลายไปเช่นเดียวกับร่างกายธาตุขันธ์เหล่านี้ เขาจงวนักตา น, นี้ไว้ให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาของเ ร, เราเราไม่ได้ล่มจมไปร่างกายจะแตกก็เป็นเรื่องร่างกายแตกเอาเว่าร่างกายล่มจมไปก็ล่มจมไปลงหาดินน้ำลงไปของเขาเนี่ยจิตใจไม่ล่มจมไม่แตกไปด้วยจิตใจไม่จิ้มหายเพราะนั่นการตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไปล่มจมกันคู่ปฏิบัติเพื่อความฟื้นฟูตัวเองจะไปล่มจมอย่างนั้นได้ ย, ยังไงเขามีแต่ชงตัวไว้ได้ ด้วยความภูมิใจของเราเองนีิดเมื่อมีความป้องป้องกันตัวได้มีการรักษาตัวได้ในปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เป็นทุกข์มากถึงวาระจนกระทั่งถึงวาระคือตายเรามีการป้องกันหรือมีการพิจารณารเราได้อย่างรอบครอบครบคิดแล้วไอ้ไหนเราไปเถอะทั้งค่าแจ่แก่ไปอันนี้เป็นผู้ป้องกันตัวได้แล้วหุดหุดได้หลักธรรมชาติของตัวเองผู้ป้องกันตัวได้ได้นในแล้ว เ, เป็นผู้ปลอดภยัย ทั้งจะไปที่ไหนก็ไปเยเมื่อเป็นผู้ปลอดภัยอยู่กับตัวแล้วไไหนก็ปลอดภัยหนึ่งเป็นหลักทั้งัญเนี่ยการปฏิบัติธรรมให้เห็นผลประจักษ์อย่างนี้และต้องเห็นเมื่อปฏิบัติอย่างที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยให้มันเข้มข้นกิจการของเราตายตายให้เป็นจะไปอ่อนแยจะไปท้อถอยทุกเวทนามันเคยมีมาดั้งเดิม ใครจะท้อถอ ย, ยไม่ท้อถอยกับมันมันก็เป็นทุกขเวทนาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความท้อถอยนอกจากจะมาทับถมเจ้าของเท่นั้นเองนี่จะบอกสงครามสงครามจิตสงครามขันอันเป็นสงครามใดญโตยิ่งกว่าอะไรเราพูดถึงเรื่องกองทุกอันนี้แหละคือกองทุกถึงแท้จริงที่เรารับผิดชอบเรากะทุกระเทือนหรือกระทบกระเทือนกับเราอยู่ตลอดเวลาคือถ้าคือขัน คือกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เท่านั้นไม่มีอันใดที่จะมาทําให้เราได้รับความเดือดร้อนภูเขาตั้งลูกก็เป็นภูเขาไม่เคยมาทับไครออกินพ้าอากาศเขาอยารสภาพของเขาแต่ผู้รับวามทุกข์ทั้งหลายก็คือถ้าคือขันคือจิตใจของเรานี้เป็นผู้รับถึงอย่างนั้นรับเป็นทัญญาอารมณ์มร้อนมากหนาวมากระยุ่งไปหมดเออาอา น, นั้นแล้วเจ็บนั้นกวดนี้<บ>่แล้วท่านในขันจะไม่เจ็บไม่กวดอะไรก็เรือนของโลกมันเป็น โรคความแปรสภาพอ น, นิจจังทุกขังนันตานี่คือโรคชนิดหนึ่งมีแก่นกลวงเราแล้วจะไม่เขแสดงตัวได้อย่างไรอันใดที่มีมันต้องแสดงตามเรื่องของมันเราที่มีสติปัญญาก็ให้ทราบตามเรื่องของมันนันก็ไม่เสียท่าเสียทีให้เขาเมือเราพิจารณาอย่างนี้จิตใจเรายิ่งจะมีความเด่นรวมขึ้นมาโดยลํำดับเกิดความข้าหานทองใสก็ชัดเจนอข้าหานก็กข้าหาืน เห็นกิจเป็นอันหนึ่งจากขันอย่างชัดเจนก็ไม่ทราบเมื่อเป็นชนี้แล้วก็ไม่ทราบจะไปหวั่นไหวกับอะไรมันแน่วแน่อยู่ภายใ น, น, ในใจิตใจมีหลักใจมีเรือนใจมีเกราะป้องกันติตใจแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งกองเพลิงคือทุกเรทนาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในขันนี้ก็สักแต่ว่ารับทราบกันเท่านั้น ไม่มีอะไรที่จะมาทําจิตใจให้ร่วมจมเสืียหายไปพเพราะทุกเวทนาแน่นเลยถ้าเราไม่จะทําความทารุณใจเราเพราะความนิ่หลงนี่เท่า น, นั้นฉะนั้นจริงต้องเอาปัญญามาใช้พิจารณาให้รอบคอบกับสิ่งนี้หยกนี้มันโลกเกิดโลกเกิดตายไม่ใช่โลกอื่นโลกใดไปที่ไหนมันก็มีปัจฉ่ า, าเหมือนกันหมดเราจะหลบหลีกติดตัวนี้ไปไหนจะไม่พ้นความตายความเนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดเรื่องเท่ากันผิดกันก็ไวล้ลำในลานนิดหน่อย เท่านั้นความจริงแล้วมันเท่ากันหากพิจางณาเราต้องสู้หาที่หลบที่หลีกไม่ได้ต้องสู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วนั่นละ่ะคือวิธีการหลบหลีกเข้าใจอย่างเต็มที่ก็หลบหลีกได้อย่างเต็มตัวตลอดไทยและอย่างเต็มใจไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยตับตนเองเราเชื่อที่เลขและเชื่อมานาน ตอนนี้เรากําลังถ่ายเ ท, ทเออกิเลตอกล อ, กอกทํารอบมาทารอบปลอกกิเลตออกเชื่อทำเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติไว้ชอบยินไม่มีผิดไม่มีพลาดปฏิบัติตามพระองค์แล้วแน่ค่าปลอดภัยไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ําทําลาย จ, จิตใจอยู่ก็เป็นสุขปลอดภัยไปก็ไม่มีใัยมีเลยเพราะตัวปลอดภัยอยู่กับตัวเองตัวเองรักษาตัวด้วยดีแล้วไปไหนก็ไปพบไหนก็พบเถอะ พูที่มีทำคลองใจคลองทั้งสุขทั้งนั้นไม่มีไอายุธรรมะล่มมาจมความล่มความจมมันสร้างกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้นหาสาระไม่ได้ในตัวมองดูตัวแล้วเป็นหาสาระไม่ได้เลยนั่นแหละที่สร้างความล่มจมความดีเราสร้างเห็อยู่ประจับ ก, กับใจของเราอย่างชัดเจนไปนี้มันจะล่มจมไปที่ไหนมีแต่ความสุขกายสบายใจที่ไหนก็สบายนี่ อำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าเป็นคุณค่าเห็นประจักษ์กับใจของผู้ปฏิบัติเราเกิดมาได้พบนี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้ผู้ปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถคนที่ไม่มีศาสนาหาหลักหาแหล่งไม่ได้นั่นแนหะร้อยจะหาทั้งสักหนึ่งมันมีเหรอเราเทียบกันทั้งโลกนี่ร้อยตั้ต่อหนึ่งมันก็ไม่มีนะ ยุ่งกันหาจากความสุขแต่มันปรากฏว่าใครเจอความสุขเจอตั้งแต่ทุกข์กันทั้งนั้นไปที่ไหนบนอืบทั้งหมดทั้งโลกอทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มันไม่หาในจุดที่ควรจะเจอแล้วมันจะเจอได้อย่างไรหาจุดที่เจอสิพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วเจอแล้วที่แนะนําสิ่งที่ทรงค้นพบแล้วนั้นมาสอนโลกโลกปฏิบัติตามนั้นจะผิดหวังไปที่ไหน เพราะเป็นจุดอันเดียวกันกับบู้พิจ้าที่ทรงค้นและทรงพบมาแล้ววิธีการก็วิธีการอันเดียวกันสิ่งที่จะให้พบก็คืออันเดียวกันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอย่างไรไม่มีก่อนมีหลังความจริงนั้นเป็นจริงเหมือนกันหมดใครจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ผู้พิจารณาปริพันธ์นี้วก็ไม่ขัดข้องเพราะทางเดินได้ประทานไว้แล้วคือปฏิปทาเครื่องดเนินถึงความสิ้นทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเา ภูมิาศาสนาก็มีทางที่จะพ้นทุกไปได้โดยลำดับภูไม่มีนั่นสิหลักใจไม่มีเรือนใจไม่มีสาระของใจไม่มีสาระของใจไม่มีเอาแต่พายนอกเป็นสาระพาแล้วก็หมดคุณค่าเอาความสุขไปไว้กับสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็ไว้กับโลกนั้นโลกนี้นนทวีิบนั้นทะลิบนี้วัตถุสิ่งของเงินทองนั้นนี่เอาความสุขไปไว้นู้นเอาจิตใจไปไว้กับนู้นพอโน้นสลายนั้นหมดท่าที่นั้นไม่สลายเวลาจะเราจะตายก็หมดท่าอีกหาความ เป็นสาระไม่ได้เลยนั่นเนี่ยเรียกว่าคนขาดที่พึ่งเราไม่ใช่คนเช่นนั้นกําลังสร้างที่พึ่งภายจิตใจพึ่งภายนอกเราได้พึ่งมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้อาศัยมาพ อ, อสมควรพอรู้หนักเบาของมันแล้วทีนี้เราจะสร้างสาระสําคัญขึ้นภายจิตใจที่เรียกว่าอตัตตสมบัติหรืออริยทรั พ, พย์ขึ้นภายจิตใจขั้กต้อนอันเป็นทรัพยอันกระสรนี้ให้สมบูรณ์พุงสูง ข, ขึ้นเรื่น่ะ มันขอให้มีความพยายามพยายามมากน้อยหนักเบาเพื่อเราทั้งนั้นความลำบากลําบนเราอย่าถือว่าเป็นอุปสรรคมันจะเป็ น, นอย่าอย่าถือว่าเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดาเ น, นินของเราอันใดทีด่มันเป็นประโยชน์แก่เราในขณะนี้ขณะใดก็ตามให้รีบเด่งควนขวายเพราะความตายนั้นอนะเซ็นสัญญาไว้แล้วกับเราเราต้องตายแน่ๆนะนะแต่ไม่ได้บอกวันเวลาเท่านั้นเราจะนอนใจได้ที่ไหนว่าวันไหนวันจะตาย เราทราบต่ว่าจะตายเซนทัญญาไว้แล้วตีกลางไว้แล้กับเราทุกคนแต่วันเวลาไม่ตีเรายังจะนอนใจหรือเขาไม่ตีวันเวลาเขามาเอาเมื่อไหร่ก็น่าเต็เมื่อไหร่ก็ได้ไฮริศเรื่องการบัตรนี้อัชเชวะกิต จ, จะมาตับตังโพทัญญาเมานังสุเลนนงงนเนเยนั่นฮินโนซังการเตยนมห้าเตยเนวัตินาควรทํากิจที่เป็นผลประโยชน์เป็นสาระสําสคัญจาก ต, ตนเสียในวันนี้นม่ควรคํานึงถึงวันนั้นวันนี้เพราะความตายที่เป็นเหมือนพญามาจุราช นั่นอ่ะไม่ได้กําหนดในเ่ื่องเวลาว่าจะมาเมื่ อ, อไรถ้าสายบ่ายโมงอะไรไม่ว่าแล้ว ม, มีใครที่จะอดพ้นแต่ได้พันยาเฉลียจะหนัขนาดไหนก็ไม่ผลเรื่องความตายใหญ่ยยกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผลต้นต้นคือต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาความเกิดเป็นมาแล้วความตายจะมีนั้นเปน็นไปไม่ได้ถ้าเราทําเสียในบัดนี้ อย่านอนใจกลางคืนกลางวันมันมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นเราอย่าไปสําคัญนันหมายอย่าหวังแก่ความสุขความเตยกับมืดกับสว่างนั้นถ้าว่ามืดสว่างนี้จะเอความสุขให้คนได้จริงแล้วเราคนทุกคนเกิดมาพบแล้วความมืดของสว่างบรรดาที่มีในตาความสว่างก็เห็นความมืดก็เห็นถ้าไมมีความทุกข์อยูเต็มหัวใจด้วยกันหากว่าสิ่งนี้จะเอาความ ถุขความสบายให้คนตามที่คาดหมายหรือวาดมโนภาพไว้นั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องโมฆะอันยางจิตลงในจุดที่จะเป็นทุขเพราะทุกข์กมันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อแก้จุดนั้นแล้วสุขจะเกิดขึ้นที่นั่นนั่นแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเวลานี้นอกจากเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ในจิตใจเหล่านี้ไมนมีที่อื่นเป็นที่เกิดของทุกข์แต่ละคนละคนเป็นเรือนรับรองทุกข์ทั้งหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องสร้างเรือนรับรองทำขึ้นมา ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเชื่อความนงสใยความทาความเปลี่ยนให้ขึ้นเราจะฐานที่แห่งเดียวกันแล้วกําจัดสิ่งที่มืดมนอนบการทั้งหลายนี้ออกหเหนือจากความสว่างขจัดแจ้งขึ้นภาณาจิตใจผู้นั่นแหละกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามตเป็นผู้มีราตรีอันเดียวเท่า น, านั้นนานานาันว่าคือมีความสว่างสวายอยู่ตลอดเวลาไม่นิยมว่าเป็นกลางวันกลางคืน อยู่ที่ใจใยนั่นแหละคือผู้มีหลักใจใยผู้มีอริยสัจผู้มีความสุขชบอยู่ที่ใจการแสดงก็เห็นสมควรจึงขอรู้จักกันตรงนี้